มีใครอยากจะถามอะไรไหมวันนี้ไม่รู้จะพูดอะไรก็เลยหาคำถามมาพูดดีกว่าใครอยากจะถามอะไรก็ขึ้นมาถามได้หรือว่าจะเขียนใส่ข้อความเข้ามาก็ได้ตอนนี้ยังไม่มีคนเข้ามาใช่ไหมฮะเหลื อ, อถามก็ลองตอบไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยพูดธรรมะต่อก็ได้ ก็ถ้าพูดภาษาไทยก็ก็สอนบอกว่ า, วาการหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันเป็นความสุขที่คุกเข่าด้วยความทุกข์เพราะว่ามันไม่แน่นอนบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้เวลาไม่ได้ก็เสียใจหรือเวลาได้แล้วเดี๋ยวเสียไปก็เสียใจอีกทำให้จิต ใจไม่สามารถอยู่อย่างมีความสุขได้ตลอดเวลาต้องคอยหาอยู่เรื่อยๆหามาแล้วเดี๋ยวหมดก็ต้องหามาเพิ่มใหม่แล้วพอไม่สามารถหาได้ทีนี้ก็จะจะทุกข์มากเพราะต่อไปอยังไงก็ต้องหาไม่ได้เวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยืรอร่างกายตาย การสู้มหาความสุขแบบที่พระพุทธเจ้าสอนให้หาดีกว่าคือให้มาหาความสุขจากการทําใจให้สงบการจะทําใจให้สงบก็ต้องมีเวลาเราก็ต้องหยุดหาเงินหยุดใช้เงินกันหาเงินใช้เงินเฉพาะแค่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พออย่าหาเงินใช้เงินเพื่อที่จะซื้อความสุขต่างๆมันเป็นความสุขเดี๋ยวเดียวแล้วมันจะ มีการขาดตอนพอตอนที่มันขาดมันก็จะเกิดความทุกข์ความวุ่นวายใจขึ้นมาสู้มาเอาเวลามาฝึกจิตมาทำจิตให้สงบมาหัดนั่งสมาธิมาหัดเจริญสติจะได้ประโยชน์กว่าเพราะความสุขที่เราได้จากการฝึกจิตนี่มันจะถาวรมันจะต่อเนื่องเราสามารถที่จะมีได้ตลอดเวลา ไม่เหมือนกับความสุขจากสิ่งต่างๆที่ไม่แน่นอนบางทีมาแล้วเดี๋ยวก็ไปบางทีอยากจะได้บางทีก็ไม่ได้นี่คือข้อสรุปที่เมื่อกี้พูดเป็นภาษาอังกฤษถ่ อ, อท่านที่ฟังไม่เข้าใจออมีคำถามไหมคำถามจากทางเฟ e บุ๊กนะครับคุณแอได้อ่านหนังสือเศรษฐีที่แท้จริงของพระอาจารย์ เนื้อหาตอนหนึ่งเขียนถึงการฝึกอดอาหารจะทำให้การภาวนามีความก้าวหน้าได้รวดเร็วขึ้นแต่สำหรับผู้ที่มีโรคประจําตัวเป็นโรคกระเพาะและโรคกรดไหล ย, ย้อนการอดอาหารส่งผลให้โรคกําเริบขึ้นมาได้เมื่อพิจารณาเห็นว่าจะเป็นโทษแก่ร่างกายเรามากกว่าเป็นประโยชน์เราควรหาแนวทางอื่นในการปฏิบัติใช่หรือไม่เจ้าค่ะ หรือว่ากิเลสและความกลัวร่างกายจะเจ็บจะป่วยนั้นมาหลอกให้เราไม่ได้ปฏิบัติมันก็ต้องลองพิสูจน์ดูว่าถ้าเราอดอาหารแล้วมันทาให้ร่างกายมันเสียหายล้วก็ใช้มันไม่ได้แต่เพียงแต่คิดเฉยๆมันยังอาจจะไม่ใช่เป็นความจริงก็ได้อันนี้ก็ต้องลองพิสูจน์ดูก่อน ส่วนใหญ่กิเลสมันจะคอยหลอกเราว่าอย่าทำนะเดี๋ยวร่างกายเป็นนู่นเป็นนี่ไปเราก็ต้องเอาธรรมะ ม, มาคิดบ้างสิว่าดูแลมันยังไงรักษายังไงเดี๋ยวมันก็ต้องตายอยู่ดีเดี๋ยวมันก็ต้องเจ็บอยู่ดีมันไม่เจ็บด้วยโลกนี้มันก็ไปเจ็บด้วยโลกอื่นถ้าเราต้องการที่จะหลุดพ้นจากกองทุกข์หลุดพ้นจากการมายึดติดร่างกายเราก็ต้องพร้อมที่ตายพร้อมที่จะตาย นักปฏิบัตินี้ท่านาท่านพูดกันอยู่เรื่อยว่านิพพานอยู่ฝากตายผู้ที่ต้องการที่จะหลุดพ้นจากการที่จะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายมอมีร่างกายอยู่เรื่อยๆก็ต้องยินดีที่จะตายปล่อยให้มันตายไปถ้าการปฏิบัติจะต้องต้องสูญเสียชีวิตก็ยินดีแต่ขอให้เราได้พ้นจากการปฏิบัติก็แล้วกัน มันจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านั่งกายนี้มันยังไงก็ต้องตายอยู่ดีเราต้องการตายแบบติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดหรือเราต้องการตายแบบหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดมันก็ตายเหมือนกันแต่ผลมันต่างกันผลก็คือได้หลุดพ้นได้ไปถึงนิพพานหรือตายแล้วก็กลับมาเกิดแก่เจ็บตายใหม่อยู่เรื่อย สำหรับผู้ปฏิบัติผู้ที่ทําการดุจเพรานี้เขาก็เลยยอมเสี่ยงตายกันไม่ไม่ใช่ว่าเขาจะไปฆ่าตัวตายไม่ใช่แต่เขาเพีงแต่ยอมรับความจริงว่ า, าถ้าเขาปฏิบัติแล้วเขาต้องตายก็ดีกว่าไม่ได้ปฏิบัติแล้วตายาใช่ไหมไม่ได้ปฏิบัติแล้วตายก็ไม่ได้ผลอะไรแต่ถ้าได้พยายามปฏิบัติแล้วตายอาจจะไปถึงพระนิพพานก็ได้ หรือถ้าไม่ถึงเงยอย่างน้อยก็ได้ไปครึ่งทางเราก็สามารถที่จะไปต่อได้หลังจากที่เรากลับมาเกิดแล้วอุปสารคเกี่ยวกับความความกลัวตายมันจะถูกกำจัดไปพอถ้าชาตินี้เราทำลายความกลัวตายได้ชาติต่อต่อไปมันจะไม่กลัวตายถ้ากลัวตายอยู่ชาติต่อๆไปมันก็จะกลัวตายไปเรื่อยๆแล้วมันก็ต้องตายอยู่ดี นี่เป็นเพราะว่าเราไม่คิดด้วยเหตุด้วยผลเราคิดด้วยอารมณ์ความกลัวตายมันจะทำให้เราไม่คิดว่ากลัวแล้วไม่กลัวก็ต้องตายแต่คนที่ไม่กลัวตายเพื่อที่จะได้ปฏิบัติธรรมเขาจะได้ธรรมแต่คนที่กลัวตายแล้วไม่กล้าปฏิบัติธรรมเขาจะไม่ได้ธรรมไม่ได้ธรรมะที่จะเป็นที่พึ่งของจิตใจที่จะทำให้เขาไม่ต้องกลับมา ทุกกับการเกิดแก่เจ็บตายต่อไปอยังบางทีเราต้องรู้จักคิดคิดพลิกแพงกิเลสมันจะคิดหลอกให้เรารับตัวกลัวตายเราต้องเอาความจริงมาสู้กับมันเี่รับตัวกลัวตายแล้วไปห้ามความตายได้หรือเปล่ามันก็ห้ามไม่ได้แล้วการที่เราจะหลุดพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายได้เราก็ต้องปฏิบัติและการปฏิบัติมันก็ต้องมีการเสี่ยงตายกัน มันถึงจะไปไปด้คำถามต่อไปจากคุณจูนเมื่อเกิดภัยธรรมชาติต่างๆแม้เราเตรียมตัวตายก่อนตายทานศีลภาวนาทำทุกวันขณะที่เกิดอุปัติเหตุนั้นจะเกิดกระทันหันถ้าเป็นเราเราควรวางจิตสุดท้ายอย่างไรคะมีสติอยู่กับปัจจุบันจิตใช่ไหมเจ้าคะ อจิตสุดท้ายเราไปเราไปกำหนดไม่ได้แล้วจิตสุดท้ายก็คือจิตปัจจุบันเนี่ยจิตเราปัจจุบันเป็นยังไงจิตสุดท้ายมันก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะจิตสุดท้ายก็เป็นมันก็เป็นปัจจุบันเวลาตายมันไม่ได้ตายในอดีตมันไม่ได้ตายในอนาคตมันตายในปัจจุบันตายตอนนี้ถ้าตอนนี้เราทำจิตได้อย่างไรมันก็จะมันก็จะทำอย่างนั้นเพะนนต้องพยายามทาจิตให้มัน มที่จะรับกับความตายได้ตั้งแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่ไปวางอนาคตว่าพอถึงเหตุเวลานั้นเราจะวางจิตอย่างนั้นวางจิตอย่างนี้ไม่ใช่ต้องวางจิตตั้งแต่ปัจจุบันถ้าอยากจะรู้ว่าเวลาจะตายจะวางจิตอย่างไรก็ไปอยู่ที่มันน่ากลัวตายดูไปอยู่ในป่าไปอยู่ในป่าคนเดียวตอนค่าคืนก็ ออมาเดินหาเสือหางูดูแล้วดูว่าจิตมันจะอยู่ในสภาพแบบไหนถ้ามันอยู่แบบนั้นสภาพหวาดกลัวก็ต้องหาธรรมะมาดับมันธรรมะที่ดีที่สุดก็คือยอมตายพอยอมตายปั๊บมันจะหายความหวาดกลัวมันจะหายมันพร้อมที่จะรับความตายได้แล้วหลังจากนั้นมันก็จะพร้อมตลอดเวลามันจะไม่มีความกลัวตายตลอดเวลา ยันจะเตรียมตัวจิตสุดท้ายให้จิตตายอย่างสงบก็ต้องตายก่อนตายหัดตายก่อนตายหัดไปหาความตายแล้วยอมตาย<ม>แล้วถ้ามันไม่ตายมันนอดพดออกมามันก็จะไม่มันก็จะไม่กลัวตายต่อไปบางทีความกลัวตายมันหลอกเราเห็นหลอกว่าเอ้ยเดินไปตรงนี้งจูจะเจองูเดี๋ยวเหยียบงูงูจะกัดเนี่ย ถ้าเรามันหลอกเราว่ามันจะกัดก็กัดยอมตายเดินต่อไปเดินในที่มืดเดินในป่าเดินในที่มืดไม่ต้องฉายไฟบางทีว่ามันจะตายก็ยอมให้มันตายกัดไปเลยพอมันยอมจริงๆความกลัวตายหายไปเลยเแต่ความรู้สึกที่มันมาหลอกเรามันก็จะหายไปที่รู้สึกว่าจะถูกงูกัดจะถูกอะไรนี้ควาจริงมันเป็นเพียงแต่ความรู้สึกเท่านั้นเอง คำอ่อนับถ้ามีคำถามก็ขึ้นมาได้อ่า uh, uh, ถามต่อไปคำถามต่อไปจากคุณโพธิคมัมณีเมื่อก่อนเคยทำบุญทำทานแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำทานแต่มันนั่งสมาธินั่งสมาธิอย่างเดียวจะถึงพระนิพพานหรือเปล่าเจ้าคะ่ะ uh, สมาธิมันยังเป็นแค่ขั้น uh, พรมท่านั้นเอง ถ้าจะไปถึงนิพพานนี้ต้องจเจริญวิปัสสนาต่อต้องมีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจ ส, สี่เห็นใจรักถึงจะสามารถกำจัดความอยากต่างๆที่เป็นตัวผลักดันให้ไปเวียนว่ายตายเกิดฉะนั้นถ้าขึ้นมาสิอยากจะถามอะไรก็ขึ้นมาอา้ผู้ชายนี้ถามก่อนครับผมก็ กลับยังถามพระอาจารย์ครับอพอดีพ่อเพิ่งเสียชีวิตแล้วก็เราถ้าเราจะพิจนารณาฟันของท่านเพื่อให้เห็นอนิจจังทุกขังนัตตาอย่างนี้เพื่อเป็นให้เกิดธรรมะสองเบศอย่างนี้แล้วก็เป็นอุบายในการภาวนาได้ไหมครับได้ก็เป็นการเจริญปัญญาในการสอนใจให้เราเห็นสภาพความไม่เที่ยงแท้แ น, น่อนอนของร่างกายของเราทุกคน เกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทุกคนงั้นอย่ามาเกิดดีกว่าการ ท, ที่จะไม่มาเกิดก็ต้องระหยุดความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆหยุดหาความสุขผ่านทางร่างกายาหยุดเที่ยวอยากหยุดหยุดดูหนังฟังเพลงหยุดหาอะไรต่างๆผ่านทางต า, าหูจมูกลิ้นกายแล้วมาหาความสุข จากการทําใจให้สงบนั่งสมาธิออแล้วต่อไปก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปครับเอาเอาความตายของคนอื่นมาสอนเราว่านี่ล้วทุกคนเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องตายแบบนี้เราก็ต้องตายแบบนี้เหมือนกันถ้าเราไม่อยากตายแบบนี้เราอยากกลับมาเกิด การจะไม่กลับมาเกิดเราก็ต้องเลิกใช้ร่างกาย ม, มาใช้การปฏิบัติธรรมมาก็นมานั่งสมาธิเป็นการหาความสุขแล้วต่อไปเราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายถ้าเรามีความสุขจากการนั่งสมาธิได้เราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายการ แต่การเจ็บการตายก็จะเป็นครั้งสุดท้ายคือครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายถ้าเราสามารถหยุดความอยากได้เลิกใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้เราจะหาความสุขจากการจากความสงบของใจเพียงอย่างเดียวก็พ ổ. อทามิเดี๋ยวภาษาอังกฤษรอเดี๋ยวนะเดียเด๋ยวขอสักกู้หนึ่งพอดีตอบภาษาไทยสักแบบ รีบนอนไหมไม่รีบนอนนะจะรีจะรีบไปไหนบะโอเคเอา่ามีคำถามอะไรอ่าเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพูดพูดพูดผ่านทางไมโครโฟนนะพระอาจารย์คะจะถามว่าน้องมีวิธ so ีการให้เขาแบบ นั่งสมาธิหรือเจริญภาวนาได้ได้เหมือนคนทั่วๆไปไหมคะได้วิธีสอนมันเหมือนกันทุกคนนะแต่เขาจะมีกำลังทำได้หรือเปล่าทท้งนั้นเองเขามีสติพอที่จะให้พุทโธพุทโธได้หรือเปล่าให้เขานั่งพุทโธพุทโธไปอย่างเดียวได้หรือเปล่าก็แค่นั้นเองเพชิฟังหรือเปล่าลูกพุทโธได้ไหมทองพุทโธได้ไหทไม่ได้ครับองไม่ได้ทาไมแค่พูดพุทโธก็ได้แล้วลูก พุทธพุทโธไปในใจพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไป่นได้ไหลูกอยากคิดอะไรให้คิดแต่ว่าพุทโธพุทโธไปมีคำถามมั้ยคำถามจากทางเฟซบุ๊กนะครับคุณวริสรากราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเราไม่โกรธไม่เกลียดคนที่ไม่ดีกับเรา แต่ก็รู้สึกหดหูและหมองเศร้าทุกครั้งที่ต้องทำงานร่วมกันโยมควรวางจิตวางใจอย่างไรดีเจ้าคะให้จิตไม่เศร้าหมองอย่างนี้มันค่อนข้างยากเหลือเกินเจ้าคะ่ะเพราะจิตเรายังเลือกที่รักมักที่ชังอยู่ยังมีความรักชังกลัวหลงอยู่จิตเราไม่ได้ฝึกสมาธิกันถ้าเราฝึกสมาธิฝึกสติบ่อยๆจิตเราจะเป็นกลางจะไม่รักไม่ชังจะไม่กลัวไม่หลง จะเห็นอะไรจะได้ยินอะไรก็จะเฉยเฉยไปฉะนั้นต้องมาฝึกจิตกันมาหันั่งสมาธิกันพยายามนั่งสมาธิกันวันละสักสองครั้งกลับบ้านก่อนนอนก็นั่งสมาธิสักครึ่งชั่วโมงตื่นขึ้นมาก็นั่งสมาธิสักครึ่งชั่วโมงจะทําให้จิตนี่เป็นกลางมากขึ้นแล้วเวลาเราจะต้องไปเจอเหตุการณ์ที่เราไม่ชอบเราจะเฉยได้ ถ้าเราไม่ฝึกจิตมันก็จะเป็นอย่างนี้พอเจอเหตุการณ์ที่เราชอบจิตก็ดีใจพองขึ้นมาพอไปเจอเหตุการณ์ที่ไม่ชอบจิตใจก็เศร้าขึ้นมาอันนี้เพราะว่าเราไม่เคยฝึกจิตไม่เคยดึงจิตให้ไปอยู่ตรงกลางอยู่ตรงที่เรียกว่าอุเบกขาเราปล่อยให้จิตไปอยู่ตรงที่ลักหรือที่ชังมันก็เลยมันก็เลยบานหรือหุบบาง บานหรือยุบเวลาดีใจก็บานเวลาเสียใจก็ยุบเข้าไปเ น, นการฝึกจิตนี้สำคัญถ้าเราอยากจะให้ชีวิตของเรานีา้ไม่วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่าง คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามมีเพื่อนท่านหนึ่งมักจะบอกว่าเขาเห็นอะไรในสถานที่ต่างๆเช่นเห็นเจ้าที่ใส่ชุดขาวมาหาหรือบางครั้งอยู่ที่ศาลาวัดเพื่อนก็บอกว่ามีวิญญาณมาเกาะไหลเขาอยู่เรื่องแบบนี้มีจริงไหมคะจริงก็มีไม่จริงก็มีคือคนที่พูดเนี่ยอาจจะพูดจริงก็ได้อาจจะไม่พูดจริงก็ได้ จิตเขาอาจจะหลอนก็ได้จิตเขาปรุงแต่งให้เขาคิดไปต่างๆนาน า, น า, นานก็ได้หรือจิตของเขาสามารถเห็นกายทิพย์ก็ได้อ น, นี้เป็นได้ทั้งสองอย่างที่เราไม่รู้เราก็ฟังหูไว้หูก็แล้วกันขาอยากจะเห็นอะไรก็เรืองของเขาไปเขาอยากจะเล่าให้เราฟังแล้วว่าเออดีแต่กูตาบอดมองไม่เห็นก็ไม่รู้จะทำไงก็ได้แต่ฟังไม่ต้องไปเถียงกับเขาไม่ต้องไป ต่อต้านเขาไม่ต้องไปเชื่อเขาเพราะเราไม่รู้ว่าเขาเห็นจริงหรือไม่เห็นจริงคําถามต่อไปจากคุณราวินกราบพระอาจารย์ค่ะมีเพื่อนสอบถามว่าอาวิชชาปัจจะยาสังขาราหมายถึงอย่างไรควรหยุดอย่างไรเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในภาคปฏิบัติจากที่ต้องใช้ชีวิตคารวาา คือสังขารแปลว่าความคิดปรุงแต่งอวิชชานี้แปลว่าความโง่หรือความขาดปัญญาคนที่ขาดปัญญาคนที่โง่ก็จะคิดไปทางหนึ่งคนที่มีปัญญาคนที่มีธรรมะก็จะคิดไปอีกทางหนึ่งตอนนี้คนที่คนที่ไม่มีธรรมะก็จะคิดไปในทางของความโง่คือคิด คิดว่าทางนี้เป็นทางสู่ความสุขเช่นคนที่ไปเสพสุรายาเมาไปเล่นการพรนันไปเที่ยวหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายคนที่ไปทําบาปเนี่ยเขาคิดว่าเป็นทางที่พาไปสู่ความสุขอันนี้ความโง่ผ า, ายเขาคิดอย่างนั้นแต่ถ้าเราได้มาพบกับธรรมะคาสอนของคนฉลาดคือพระพุทธเจ้าท่านก็จะสอนว่า การไปเที่ยวไปดื่มสุราไปเล่นการพนันนี้ไม่ใช่เป็นทางสู่ความสุขแต่ทางสู่ความหายานณะทางสู่ความทุกข์เพราะต่อไปถ้าเที่ยวแล้วมันก็เงินก็จะหมดเล่นการพันเงนเล่นการพนั น, เ, น, น, นเงินก็จะหมดหมดแล้วก็ต้องไปขโมยไปทำบาปทำบาปแล้วเดี๋ยวก็ต้องถูกจับไปติดคุกติดตารางต่อไปออคิดไม่เป็นก็เรียกว่ า, าวิชาคือคิด ไม่ได้คิดด้วยปัญญาคิดด้วยความโง่เขลาไม่รู้เหตุรูผลไม่รู้ว่าการกระทำอย่างนี้มีผลอย่างไรตามมาเห็นแต่ผลที่ชอบคือความสุขที่ได้ชั่วคราวแต่ไม่เห็นโทษที่จะตามมาต่อไปคิดไม่ลึกคิดไม่กว้างคิดไม่ยาวคิดสั้นๆก็เลยถือว่าโง่อวิชาแปลว่าโง่ถ้าคนโง่ก็จะคิดไปตามภาษาคนโง่ คนฉลาดก็จะคิดไปตามภาษาของคนฉลาดอย่างถ้าเราลองโง่เราก็ต้องไปหานี่ที่ยวไปโรงเรียนกันเขาเพื่อให้ฉลาดไงดูคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือกับคนที่เรียนหนังสือเขาจะหากินเงินต่างกันใช่ไอมคนที่เรียนหนังสือมีความรู้เขาก็ไปทํางานมีไรายได้คนที่ไม่ได้เรียนหนังสือไม่มีความรู้เขาก็เขาก็ต้องไปลักเล็กขโมยน้อยะ เพื่อที่เขาจะได้มีรายได้มันก็ต่างกันตรงนี้เดี๋ยวเอาเอ า, เอาพักชั่วคราวกันจะให้พรพอหมดช่วงแรกเปิอญาติโยมที่มาทำบุญแล้วอยากจะกลับจะได้กลับไปได้ความที่กลับได้ตั้งแต่ถวายของแล้วไม่ต้องรอรับพรก็ได้เพราะพรนี้ไม่ได้ทำให้บุญที่โยมมาทําวันนี้มากขึ้นและน้อยลง อันนี้เป็นเพลงแต่ธรรมเนียมประเพณีคือแสดงความยินดีต่อการทำบุญของญาติโยมเท่านั้นเองแต่ไม่ได้เป็นการทำให้บุญที่ทำนี้ได้มากขึ้นหรือน้อยลง <c oughs> แต่เมื่อเขาทำกันมาเป็นเวลายาวนานเราก็ต้องทำตามประเพณีไปยะทาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาขลัง เอวเมววะอิโตทินังเปตานังอุปกัาปติ มิชีตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมมิจโตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนาอาราโสยะธามณิโชติอาระโสยะธาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพารุโขวินาสตุมาเตปวัตวันตารโยสุขีทีข อายุโกภาะภิวาทนสีลิสนิจังวุธาปจายโนจตารโธรมวัานติอายุวันโนสุขังภาลงวันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทาง Facebook เข้ามา271 y o u ย u b e 119 วิทยุออนไลน์24รับฟังข้างบนเขา42คนรวมทั้งหมด456ครับเป็นดูกกว่านี้น้อยหน่อยเพราะเริ่มต้นเป็นภาษาอังกฤษฮะพนเลยถอยคิดว่าคงจะไม่ได้ฟังแล้วนี่เลยถอยดีกว่าฟังไม่รู้เรื่องก็มีคำถามต่อก็ถามได้ คำถามจากทางเฟ e b o o k นะครับจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามได้แนะนำให้เพื่อนปฏิบัติธรรมสะสมบุญเพื่อนบอกว่าถ้าโลกสลายไปแล้วจะมีใครไปเกิดเป็นอะไรได้อีกตัวเขาจึงเลือกทำสิ่งที่อยากทำในตอนนี้มากกว่าต้องวางใจอย่างไรเจ้าคะก็ทางใครทางมันก็นแล้วกัน ชีวิตเขาไม่ใช่ของเราเขาจะทําอะไรเขาก็ต้องเป็นคนรับผลเราไม่ได้เป็นรับผลกับการกระทําของเขาเพียงแต่ว่าเราคิดว่าเราเรารู้ทางที่ดีเราก็บอกเขาถ้าเขาไม่ยินดีก็ก็ปล่อยเขาไปคําถามต่อไปจากคุณนัทพัฒน์กราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะคนใกล้ตาย ไม่เคยทำบุญเลยแต่สวดมนต์ก่อนตายจะไปที่ดีไหมคะก็แล้วแต่ว่าสวนแล้วสงบไม่สงบนะถ้าสวนนล้สงบก็ไปที่ดีได้คำถามต่อไปจากคุณสุขกายสบายใจกราบนมัสการครับเวลาจะบรรลุธรรมเป็นพระอรหรันต อันนี้ต้องไล่ไปจากพระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีก่อนหรือข้ามถึงอรหันเลยครับคงข้ามไม่ได้หรอกก็คงต้องไปเป็นขั้นแต่ช้าๆจะเร็วนี้มันต่างกันบางคนก็ไปสี่ขั้นไปในระยะเวลาภายในไม่กี่นาทีตามไล่ไปแล้วแต่ความความฉลาดแหลมคมของปัญญาบางคนก็ใช้เวลาเป็นชาติก็มี หลายเป็นเวลาหลายปีก็มีอย่างพระอนุนี่เข้าใจว่าท่านเป็นพระโสดาบันตั้งแต่ตอนที่ท่านไปรับใช้พระพุทธเจ้าท่านก็รับใช้อยู่ตั้งยี่สิบห้าปียังไม่ได้บรรลุแต่พอพระพุทธเจ้าจากไปท่านก็เลยมีเวลาว่างไปปฏิบัติต่อท่านก็ใช้เวลาอีกสามเดือนท่านก็บรรลุเป็นพาระอรหันต์ขึ้นมาแต่ต้องเป็นทั้งสี่ขั้นนี้เพราะว่ามัน เป็นเหมือนกับอออปอกผ ล, ลไม้ก่อนจะเข้าไปถึงเม็ดได้มันต้องปอกเปลือกก่อนปอกเปลือกแล้วก็ต้องเอาเนื้อออกก่อนถึงจะไปเจอเม็ดต่อไปอการปฏิบัติมันก็เป็นแบบนั้นกิเลสมันจะมีหยาบละเอียดหยาบกลางละเอียดมันก็ต้องไล่จากหยาบเข้าไปหากิเลสที่ละเอียดที่สุดที่มันอยู่ฝังลึกอยู่ในใจมีคำถามอีกหรอ อ่าจากกราย์กาบยนถามว่าอาจารย์ว่าจิตของผู้ที่ละอะสังขารเก่าไปแล้วนะครับอะจะไปจุติในภพภูมิอื่นเลยหรือว่ายังยังก็ไปเลยเนี่ยพอไม่มีร่างกายแล้วมันก็ไปเลยเป็นเปรตเป็ น, เ, ป น, เ, ป น, เ, ปนเทวดาเป็นอะไรก็แล้วแต่ครับผม นอกจากว่ามันตายไปแล้วแล้วยังห่วงคนนั้นห่วงคนนี้อยู่ก็อาจจะมาว น, วนเวียนเป็นผีวนเวียนอยู่ใกล้คนที่เป็นก็ได้หรือไม่เช่นนั้นก็อาจจะไปเกิดเป็นตุ๊กแกเป็นจิ้งจกในบ้านของคนที่เราเป็นห่วงก็ได้อยากจะยู้ใกล้ชิดกับคนที่เรานักเราห่วงเนื่แล้วแล้วถ้าเราอุทิศบุญให้อย่างนี้ถ้าเรายังออกชื่อของ ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างนี้ได้บอกว่าคนนั้นคนนี้หรือ บ, บอกเป็นพ่อเป็นแม่ก็ได้ครับอคำถามต่อไปจากข้างบนภูเขานะครับกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะปัจจุบันลูกได้เปลี่ยนคำภาวนาจากพุทโธเป็นกระดูกเวลาเดินก็จะกำหนดดูไปที่เท้า พยายามให้เห็นเป็นกระดูกกดเท้าเวลาจับสิ่งของก็ให้เห็นเป็นกระดูกมือจับสิ่งของได้ไหมเจ้าคะและพิจารณาให้เห็นเป็นเพียงธาตุดินไม่ใช่เราเจ้าคะ่ะได้ๆคำถามต่อไปจากคุณเกษมศักดิ์กราบนมัสการพระอาจารย์ครับการก่อเจดีทรายในวันสงการจะได้บุญไหมครับ ก็ไม่รู้ได้ตรงไหนคือเขามีธรรมเนียมให้เอาสรายเข้าวัดเพราะว่าเวลาญาติโยมเข้าวัดใส่รองเท้าเวลาเดินกลับบ้านทรายมันก็ติดออกนอกวัดไปก็ถ้ามีแต่เอาทรายออกไปนอกวัดเดี๋ยววัดจะสุดมัง้งก็เลยมีธรรมเนียมให้ขนทรายเข้าวัดด้วยการไปก่อเจดีย์ทรายในวัดหรือเปล่าใช่ไหมอ็นทำนองนั้น คำถามต่อไปจากคุณวิสุวัตขอความเมตตาสอบถามหลวงพ่อครับศึกษาสติปัฏฐานสี่แล้วแต่ยังไม่เข้าใจเรื่องปฏิบัติในเรื่องจิตตานุปัสสนาเห็นจิตในจิตขอความเมตตาหลวงพ่ออธิบายนมัศการครับคือการเห็นจิตในจิตก็เห็นอารมณ์ในจิตไงตอนนี้อารมณ์ในจิตเราเป็นยังไงเศร้าหมองหรือเบิกบาน โกรธหรือเสียใจหรือดีใจนี่คืออารมณ์ในต่างๆที่มีอยู่ในจิตท่านให้ดูให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงอารมณ์เหล่านี้มันมาแล้วเดี๋ยวก็ไปอย่าให้มันมามีอิทธิพลต่อการกระทําของเรามีอารมณ์ไม่ดีเราก็อย่าให้มันบีบเราให้ไปทําในสิ่งที่ไม่ดีพูดไม่ดีให้รู้ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไป ถ้าตอนนี้พูดดีไม่ได้ก็เฉยๆไว้ก่อนก็แล้วกันหุบ ป, ปากไว้ก่อนอารมณ์ไม่ดีพูดไม่ดีไม่ได้ก็แต่ก็อย่าไปกังวลกับมันเดี๋ยวอารมณ์ไม่ดีมันก็ผ่านไปรอให้เราอารมณ์ดีแล้วค่อยพูดก็แล้งกันถ้าต้องพูดให้เข้าใจว่าจิตเรามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามเหตุการณ์ตามอะไรที่มาสัมผัสรับรู้มันก็มีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ให้เรารู้ทันแล้อย เ, เราอย่าไปหลงไปติดกับอารมณ์เหล่านั้นหรืออย่าไปอยากให้อารมณ์ที่ไม่ดีหายไปหรืออยากให้มีแต่อารมณ์ดีอยู่ไปเรื่อยๆเพราะความอยากมันจะสร้างความทุกข์ใจขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งที่เราไม่จำเป็นจะต้องสร้างถ้าเราไม่มีความอยากแล้วใจเราจะเย็นจะอยู่กับอารมณ์ต่างๆได้อยู่กับอารมณ์ดีก็ได้อยู่กับอารมณ์ไม่ดีก็ได้ นี่คือความหมายจิตตานุจิต ป, ปัทสนาคำถามต่อไปจากคุณสิทธิพระที่เทศแบบร้องเพลงแหล่พร้อมมีเครื่องดนตรีประกอบด้วยนั้นเป็นอาบัติไหมครับมไม่ดูล่ละถ้าเขาทำได้ก็คงไม่เป็นอาบัตนะิถ้าถ้าเป็นเขาคงจะถูกห้ามไปนานแล้วนะมั้งอาจจะเป็นการเป็นเครื่องมือการแสดงธรรมของเขาก็ได้ คำถามต่อไปจากคุณ KSM กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าคะ่ะผู้ที่จะเป็นเจ้าภาพถวายกะถินต้องมีอายุ60ปีขึ้นไปถ้าอายุน้อยทำเป็นเจ้าภาพจะไม่ดีเพราะบุญกุศลกะถินแรงจะทำให้เรามีอันเป็นไปอยากทราบข้อเท็จจริงคะ่ะอ๋อไม่หรอกคือบุญกะถินนี้เขาถือว่าบุญประจำปี ทำปีละครั้งเป็นการที่จะมาทําทนุบำรุงพระพุทธศาสนาเานั้นต้องใช้เงินมากพูดง่ยายๆะะั้นคนที่จะมีเงินมากนี่ต้องเป็นคนที่อายุาเป็นผู้ใหญ่มี มีอิทธิพลต่อผู้คนคนอื่นเวลาทำจะมีคนมาช่วยมาร่วมทำกันเยอะเพื่อที่จะได้เอาเงินเข้าวัดเยอะๆเพราะวัดจะต้องเอาเงินไปซ่อมแซมโบสถ์เจดีย์ขุติอะไรต่างๆที่เขาทำกันจริงๆก็ทำกันปีละครั้ง ทำมณีมันก็เลยมักจะให้ผู้หลักผู้ใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นเจ้าภาพแล้วคนที่มีกําลังทรัพย์น้อยก็จะได้มาร่วมได้ถ้าเป็นคนที่ไม่มีหน้ามีตาไม่มีชื่อมีเสียงไม่มีบริวารเวลาไปทําก็อาจจะทําได้เพียงเล็กน้อยซึ่งก็อาจจะทําให้วัดเขาไม่สามารถบูรณะซ่อมแซม สิ่งปลูกสร้างต่างๆที่มันสุดโทมได้งั้นงานกฐินก็เลยถือว่าเป็นงานใหญ่งานช้างพูดง่ายๆงานช้างต้องให้คนที่มีกำลังระดับช้างมาเป็นหัวหน้ามันจะได้ทำได้สำเร็จสงสารวัดเขาถ้าเกิดเราไปถวายแค่ห้าร้อยเป็นเจ้าภาพกฐินนี่ทั้งปีเขาได้รับเงินห้าร้อยเดี๋ยวก็ไปซ่อมกุฏิสร้างโบสถ์มันไม่พอเข้าใจไห เขาต้องการให้มีคนที่มีกำลังสักล้านสงล้า น, านอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันเดี๋ยวนี้มันอันนี้พูดตามธรรมเนียมนะแต่เราไม่ได้พูดเพื่อที่จะของเงินขอทองเพียงแต่พูดเล่าให้ฟังว่านี่คือธรรมเนียมของการถวายผ้ากรถินเขาถือว่าเป็นงานสำคัญประจําปีเพราะกรถินนี่ทำได้เพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นเองน่เป็นโอกาสที่วัดจะได้มี เงินเข้ามาเป็นก้อนเป็นกอบเป็นคำสักครั้งหนึ่งธรรมดาก็ต้องอาศัยญาติพี่น้องหยอดเหรียญใส่ไว้ในตู้เออมันก็ได้พอจ่ายค่านา้ําค่าไฟค่าใช้ใจ่ายประจําเดือนประจําอะไรท่านั้นเองแต่จะเอาเงินเป็นก้อนมาซ่อมโบสถ์ซ่อมเจดีย์ซ่อมอะไรนี้มันจะไม่มีเอาถึงถืออางานกระถินนี้เป็นงานที่จะมาอา่าทุ่มเท ถวายเงินก้อนใหญ่ให้กับวัดเพื่อวัดจะได้เอาไปบุรนะซ่อมแซมหรือสร้างอาคารเพิ่มถ้ามีความจำเป็นอะไรต่างๆนี่คือความหมายว่าบุคคลที่จะเป็นเจ้าภาพกฐินจึงควรจะเป็นบุคคลที่มีฐานะมีมีอำนาจมีบริวารพูดง่งยนายกเนี่ยถ้านายกมาทอดที่นี่โอ้เดี๋ยวคนตามมาร่วมบุญกับ น, นายกเยะ <c oughs> แต่ถ้าเป็นเราไปทำนี่ไม่มีใครเข้ามาร่วมกับเรานั้นก็นี่คือความหมายของของเรื่องของการเป็นเจ้าภาคกฐินระนั้นเราต้องดูกำลังของเราก่อนแล้วต้องดูความต้องการของวัดก่อนว่าวัดเขาต้องการความช่วยเหลือทางด้านเบอรณะซ่อมแซมบ้างน้อยเพียงไรแล้วถ้าเราไม่มีกำลังเราก็อย่าไป อย่าไปเลยปล่อยให้คนอื่นที่เขามีกําลังเรืมไม่ใช่ะนั้นก็ทำแบบกรถินสามัคคีไปเอาหลายหลายคนมาร่วมกันถ้าเราคนเดียวมีกําลังทรัพย์น้อยก็ลองตรวจดูกําลังพูนฝูงดูว่ามีใครมีกําลังมาร่วมกันทำให้มันเป็นเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาได้หรือเปล่าถ้าได้ก็เอาทำกันไปคำถามต่อไปจากคุณเคอา เวลาโยมฝึกสมาธิประจำวันเ<ฮ>มื่อรู้สึกว่ามีความสงบในความว่างแล้วโยมมาพิจารณาภายหลังพบว่าบางครั้งในขณะความว่างนั้นรู้สึกถึงความมืดบางครั้งก็เป็นความสว่างควรต้องแก้ไขการฝึกอย่างไรเจ้าคะคือเราไม่ต้องพิจารณาหรอกเราควรจะดูตามความเป็นจริงไง ถ้ามันว่างจริงมันสงบจริงมันจะเย็นจะสบายมันจะมืดจะสว่างนี้ไม่เป็นปัญหาอะไรขอให้มันสบายใจเบาอกเบาใจไม่คิดปรุงแต่งไม่หนักอกหนักใจกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เวลานั่งสมาธิไม่ควรจะพิจารณาควรจะหยุดการพิจารณาหยุดความคิดให้จักต่ว่ารู กับผลที่เกิดจากการภาวนาถ้ามันยังไม่ว่างมันยังคิดอยู่ก็ต้องพุทโธต่อไปต้องดูลมต่อไปดูไปจนกว่ามันจะวบลงไปแล้วทุกอย่างนิ่งสงบแล้วเบา อ, อกเบาใจขึ้นมาตอนนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรพยายามใช้สติประครับประคองความสงบความว่างให้มันอยู่ไปนานๆอย่าปล่อยให้ไปคิดไปพิจารณาอะไรทั้งสิ้น นั่งไปจนกว่ามันจะถอนออกจากความสงบนะเราก็ถ้าเราอยากจะกลับเข้าไปใหม่เราก็ดูลมใหม่พุทธโธใหม่คำถามต่อไปจากคุณจันเพนกราบนมรมสการเจ้าคะ่ะพระอาจารย์โยมอยากเรียนถามว่าเวลาครูบาอาจารย์ให้พรเราเรารับอยู่ทางบ้านจะได้รับพร น, นั้นหรือเปล่าเจ้าคะก็ได้รับเสียงไง คือได้รับคำคำว่าพรก็คือความการแสดงความยินดีไม่ได้ให้พรหรอกถึงแต่เราเรียกว่าพรแต่ความจริงเป็นการบอกเล่าว่าการทำบุญนี้มีอนิสงส์มีประโยชน์กับผู้ทาเพราะทำแล้วจะให้มีความเจริญด้วยอายุวันนะ่สุขพะพะละเนี่ยคือความหมายเป็นอย่างนั้น แต่ถ้าเรารับเฉยๆเราไม่ได้ทำบุญเราก็ไม่ได้คนที่ได้รับพรแต่ไม่ได้ทำบุญก็ไม่ได้พรคนที่ทำบุญแล้วไม่ได้รับพรก็ได้พรอยู่แล้วเพราะบุญนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้เกิดอายุวันนะสุขภาละขึ้นมาการทำบุญนี่แหละเป็นตัวที่จะทำให้เกิดผลไม่ใช่การรับพรจากพระจะทำให้เกิดผลขึ้นมาคาถามต่อไปจากคุณซันเดย์ ในสมัยพุทธกาลนางสิริมาทำอาชีพเป็นโสเภณีซึ่งเป็นอาชีพบาปแต่ทำไมเมื่อนางได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วสามารถบรรลุเป็นพระโสดาบันได้ครับก็เพราะว่าเกิดปัญญาเปลี่ยนความคิดใหม่เปลี่ยนจากการมาเป็นโสเภณีมาเป็นพระอริยเป็นพระโสดาบัน ความคิดในปัญญาความรู้ที่เราได้ยินได้ฟังนี่จะบอกว่าการเป็นโสเภณีนี่ไม่ถูกต้องต้องเลิกเป็นแล้วนะมาเป็นพระสวดาบรรมามาปล่อยวาง อ, อย่าไปยึดอย่าไปติดกับการกระทาบาป ท, ทั้งปวงคำถามต่อไปจากคุณมนใจมีคนฝากถามพระอาจารย์เจ้าค่ะ ว่าทำดีกับทุกคนแต่เขาไม่เห็นความดีของเราเลยทำบุญคนไม่ขึ้นแล้วเราควรทำอย่างไรต่อเจ้าคะเขาถึงจะเห็นความดีของเราเออการทำความดีการทาบุญนี้ไม่ได้ให้คนอื่นเขาเห็นให้เราเห็นถ้าเราเห็นแล้วก็จบเราต้องให้เรารู้ว่าเราได้ทำบุญให้เรารู้ว่าเราได้ทำความดีเพราะถ้าเรารู้เราจะมีความสุข คนส่วนคนอื่นจะเห็นไม่เห็นนั่นเป็นเรื่องของเขาเกิดเขาตาบอดจะท้ายก็เห็นยังไงใช่ไหมหรือเขาตาดีแต่เขาไม่ยอมมองเขาก็มองไม่เห็นอยู่ดีเพราะฉะนั้นการทำความดีการทำบุญนี้ไม่ได้ทำให้คนอื่นเขาเห็นทำให้เราเห็นว่าเราเป็นคนดีแล้วเราจะมีความสุขจากการเป็นคนดีของเราเท่านี้แหละคือการทำความดี ไม่ได้ทำเพื่อให้ได้รับการชมเชยได้รับการยกย่องได้รับรางวัลตอบแทนอันนี้ไม่เรียกว่าเป็นการทําความดีแล้วเขาเรียกว่าเป็นการซื้อขายเอผมทําอย่างนี้แล้วคุณให้อย่างนั้นผมกลับมาเอผมทําแล้วคุณจ่ายเงินมาอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่เป็นการทําความดีมันเป็นการทําการค้าถ้าการทำควารดีแล้วไม่ต้องการรับอะไรจากใครทั้งนั้น คำถามต่อไปจากคุณลีมีสองคำถามนะครับกราบนมัส ก, การพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับคำถามที่1ผมให้เงินแม่ลูกภรรยาเหมือนจะเป็นการฝากเงินไปในชาติหน้าเหมือนกันกับทํากับพระสงฆ์หรือบริจาคให้โรงพยาบาลไหมครับเหมือนกันเหมือนกันกันให้เงินจะให้ใครนี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นการทําบุญคำถามที่สอง เราบริจาคให้พระสงฆ์หนึ่งหมื่นบาทคิดเป็นห้าสิบเปอร์เซนกับเพื่อนที่บริจาคหนึ่งล้านแต่คิดเป็นหนึ่งเปอร์เซนต์ต่อไปชาติหน้าคนที่บริจาคเยอะกว่าจะรวยกว่าคนที่บริจาคน้อยกว่าใช่หรือไม่ครับใช่มันอยู่จำนวนเงินที่เขาจ่ายไปเหมือนเอาเงินไปฝากธนาคารฝากล้านหนึ่งกับฝากห้าหมื่น เวลาไปเบิกมันก็คนฝากล้านก็จะได้เบิกล้านคนที่ฝากห้าหมืนก็เบิกได้แค่ห้าหมื่นจะไปเบิกมากกว่านั้นไม่ได้แต่คนที่ทำห้าหมื่นอาจจะมีความสุขมากกว่าคนที่ทำหนึ่งล้านเพราะเขาได้เสียสละมากกว่าคนที่ที่ทาเงินหนึ่งล้านเพราคนทำเงินหนึ่งล้านนี่เขาอาจจะเสียสละเพียงร้อยละหนึ่งเท่านั้นเอง ส่วนคนนี้ทำห้าหมื่นทำเสียสละร้อยละห้าสิบเนี่ยฉะนั้นความอิ่มใจสุขใจนี้ไม่เท่ากันแต่เงินที่เราจะได้รับกลับมาในภพหน้าชาติหน้าอยู่ที่ปริมาณของเงินที่เราทำเราทำมากเงินก็มากจะกลับมาหาเรามากเราทำน้อยมันก็จะกลับมาหาเราน้อยเพราะเป็นเหมือนกับการไปฝากเงินในธนาคารนั่นเอง คำถามต่อไปจากคุณหนุ่มหนิมน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าคะ่ะกราบเรียนถามเรื่องผ้าอาบน้ำฝนสามารถถวายหลังออกพรรษาได้ไหมเจ้าคะถ้าถวายไปหลังออกพรรษาเพราะไม่ทราบผู้ถวายจะบาปไหมเจ้าคะและสามารถนำไปวางที่กองกระถินได้หรือไม่เจ้าคะ คือพาบน้ําฝนที่ทำเนียมทำเนียมเดิมเขามีไว้สําหรับถวายใช้พระใช้ในช่วงที่หน้าหน้าฝนในช่วงเข้าพรรษาเป็นช่วงหน้าฝนสมัยก่อนบางทีเวลาฝนตกพระท่านอยากจะอาบน้ําฝนถ้าท่านไม่มีภาพน้ําฝนท่านก็เปลืองเปลืองกายอาบในวัดเพราะท่านเห็นว่าไม่มีใครแต่บางทีก็มีคนเข้ามาวัดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจะมาในเวลานั้น ก็เลยเห็นผ้าเปื่อยกายก็เลยเห็นว่าพระควรจะมีผ้าน้ำฝนก็เลยถวายให้ใช้ในเชื่องฤะดูอาบน้ำฝนแต่พอพ้นแล้ดูอาบน้ำฝนแล้วก็ไม่ต้องใช้ผ้าอาบน้ำฝนท่านก็เลยไม่ให้พระเก็บสะสมผ้าไว้ให้สละไปดฉงนั้นส่วนสมัยนี้ถ้าเราจะถวายผ้าเป็นผ้าป่าเป็นผ้าอะไรก็ได้ ถ้าเราไม่ได้ไปจอดจองว่าเป็นภาพน้ำฝนก็ถวายได้ทั้งนั้นคำถามต่อไปจากคุณชูติการนั่งสมาธิแล้วสบายจนไม่อยากออกจากสมาธิแบบนี้กำลังติดสุขหรือเปล่าเจ้าคะและต้องปฏิบัติอย่างไรก็ติดไปนานๆเพราะสุขแบบนี้ไม่มีโทษมีแต่คุณมีแต่ประโยชน์ ทำให้เราไม่ต้องไปดิ้นลนหาเงินหาทองหาแฟนหาอะไรมาวุ่นวายใจให้ติดแบบนี้ได้สุขแบบนี้ติดได้เนี่ยพระนิพพานก็เป็นสุขแบบนี้นะติดแบบนี้ไม่เสียหายความสุขที่เป็นมีแต่คุณมีแต่ประโยชน์อย่าไปติดสุขแบบติดกัญชายาฝิ่นติดสุรายาเมาถ้าติดสุขแบบนั้นแล้วมันจะเป็นโทษพอเวลามันไม่มีมันจะทุกข์ แต่ติดสุขที่เกิดจากความสงบนี้เราสามารถมีได้ตลอดเวลาถ้าเรารู้จักทําใจให้สงบแล้วเราก็สามารถทําให้มันสงบได้ไปเรื่อยๆไม่มีโทษตามมาคําถามต่อไปจากคุณปาล์มกราบนมัสการพระอาจารย์ครับความสงบที่เกิดจากการที่น้อมจิตให้คิด นั่งอยู่ในท่าสมาธินะครับเช่นบูชาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และบิดามารดาว่าพระองค์เป็นผู้ที่ทำให้ข้าพเจ้าได้รู้ว่ามีหนทางที่จะทำให้พ้นจากความทุกข์แล้วก็ขอบคุณพระธรรมคำสอนและพระสงฆ์สาวกของพระพุทธองค์ที่คอยเผยแผ่พระธรรมคาสอนและศาสนาพุทธจนทำให้ข้าพเจ้ามีโอกาสได้พบกับพระพุทธศาสนา การน้อมจิตให้คิดเห็นตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาจากการใช้ชีวิตประจำวันเป็นต้นครับสมาธิที่เกิดขึ้นเหมือนหรือแตกต่างกับการบริกรรมพุทโธไหมครับ อ, อ๋อต่างกันมากอันนี้เป็นเพียงจะทำให้เราลดความคิดในทางกิเลสเท่านั้นเองในในช่วงที่เราทำงานเราจะคิดไปในทางกิเลสอยากได้นูน่นอยากมีนี่อยากให้มันสาเร็จอยากให้ใจมันก็จะร้อน พอเรามาคิดทางธรรมะคิดว่ า, เ, าเราโชคดีมาเกิดมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันก็ทำให้ใจเราเย็นลงแต่มันยังไม่สงบมันยังไม่รวมเป็นหนึ่งต้องดูลมหายใจหรือพุโทโธถึงจะเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่ที่เราได้ความสงบนี้ก็อาจจะเป็นน้อยละสิบน้อยละห้าก็ยังดีกว่าไม่มีเลย แต่จะให้มันรวมเป็นร้อยนี่มันต้องดูลมหายใจหรือบริกรรมพุทธโธไปอย่างเดียวคำถามหมดแล้วครับอคำถามหมดมีใครอยากจะถามอีกไหมอะลรเนะ่ถ้าไม่มีใคราถามอะไรก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิิตพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทิน น, นี่ก็เป็นคำคำความอวยพรความปรารถนาดีเท่านั้นเองแต่จะได้หรือไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้อยู่ที่คนพูดอยู่ที่คนทำเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าพอเราพูดแล้วแหมจ ะ, จะเจริญก้าวหน้าในธรรมเลย ถ้ากลับไปนอนคลอกครอบครอบเหมือนไม่มีวันเจริญนะอันนี้เป็นแต่พูดให้กำลังใจเท่านั้นเอง